ตอนนิใครหะปักใครหะได้พูดไว้ตอนหนึ่งตอนตีความหมายของคำว่านินทาว่านินทาตรงกับคำว่าติเตียนไม่ใช่ติดเฉยๆความเลยส่องไปว่าติดเฉยๆก็มีหรือน่าจะอธิบายไว้ตรงนี้สักเล็กน้อยวิธีการปกครองสงของพระพุทธเจ้า เราองทรงใช้สองวิธีคือนิไคหาวิธีกับปักใคาหาวิธีนิไครหาวิธีคือทรงข่มคนที่ควรขม่มส่วนปักคาหาวิธีคือทรงยกคนที่ควรยกนิไครหานั้นตรงกับคำไทยว่าติหรือตำหนิคือชี้โทษให้เห็นเพื่อให้ผู้ผิดปรับตัว จะกระทำด้วยการพูดหรือด้วยการถอดยศลดตำแหน่งหรือลงทันก็ได้รวมเรียกว่านิใครหักทางนั้นส่วนปักใค้หัตรงกับคำว่าชมหรือสรรเสริญนั่นเองแต่กินความไปถึงการยกย่องเชิดชูให้ดีเด่นโดยวิธีอื่นๆด้วยเป็นต้นว่าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งตลอดจนการให้บำเหน็จ รางวัลต่างๆนับรวมเข้าข้อนี้เมื่อถูกรวบยอดพุทธวิธีที่ยกมาว่านี้ก็คือติกับชมนั่นเองส่วนวิธีที่สองนี้คนเราชอบชมมากกว่าชอบติทั้งๆที่รู้อยู่ว่าผู้ตินั้นติด้วยความหวังดีตอนวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการติชมการติการชมที่เรียกว่านิใคยหกักปะใครหักนั้นแม้จะเป็นเพียงลมปากก็เป็นลมที่มิริทเข้าไปปฏิวัติใจคนได้อย่างน่าอัศจ ร, ร์ชนิดที่เรียกว่าพลิกแผ่นดินได้ทีเดียวยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือมากๆการติการชมยิ่งมีความสําคัญมาก ในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงว่าสิ่งใดควรติสิ่งใดควรชมเพราะจะทําให้เรื่องตีวงกว้างไปมากเพียงเท่านี้ก็ชักจะยุ่งอยู่แล้วผมเองก็รู้สึกว่ามากแง่ามากประเด็นจนเก็บมาพูดไม่หวัดไม่ไหวและจนไม่รู้ว่าจะควรพูดอะไรก่อนอะไรหลังดีดูดูก็เหมือนสําหรับกับข้าว ที่ชาวบ้านพากันเอาไปถวายพระในวันตรุษวันศาสร์แต่ละสำรับหล้นแปร่แล้วพระองค์หนึ่งหนึ่งก็ต้องฉลองศรัทธาให้ถึงหถึง6สำรับไม่ต้องพูดถึงว่าใช้ฉันอะไรมากอะไรน้อยเพียงแต่ชิมอย่างละคำเท่านั้นก็ชักงงเสียแล้วผิดจากวันธรรมดาปลาเกมชิ้นเดียว ก็ต้องทำประทักษิณแล้วแล้วเล่าเจึงเสร็จกิจในบทนี้ผมอยากพูดถึงว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนคนหนึ่งติ ก, ก็เป็นชมก็เป็นแล้วรับติ ก, ก็ได้รับชมก็ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะซึ่งมีข้อควรสนใจดังนี้ก็ไก่ ในฐานะผู้ให้คือเป็นผู้ติผู้ชมเขาต้องติให้เป็นต้องชมให้เป็นอย่าติผิดๆอย่าชมผิดๆที่ว่าติผิดชมผิดนั้นคือติไม่ถูกที่เขาผิดชมไม่ถูกที่เขาดีผมเคยบรรยายมาแล้วว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดีอยู่เฉพาะตัวของมันของอย่างนี้ดีอย่างนี้ ของอย่างนั้นดีทางนั้นต่างอย่างต่างมีดีด้วยกันมีโกนที่เราใช้โกนหนวดเช้าๆใช้โกนหนวดได้ดีมากมันคมโกนสบายเราก็ชมว่ามีดโกนนี่ดีจริงๆทีนี้ลองเอามีดโกนดีของเราไปผ่าฟืนดูเถอะมันไม่เอาเรื่อง ส่วนมีดโตที่เราใช้ผ่าฟืนโครมโครมทุกวันเราก็ชมนักว่าดีแต่ลองเอามาโกนหนวดดูบ้างมันก็ไม่เดียวเรื่องเหมือนกันแล้วนี่จะว่าอย่างไรจะว่ามีดโกนไม่ดีหรือมีดโตไม่ดีไม่ถูกทั้งนั้นแหละตัวเรามันไม่ดีเองมีของดีๆแล้วใช้ไม่ถูกทางของมันไม่เฉพาะแต่มีดโกนกับมีดโต ซึ่งมีศักเป็นมีดด้วยกันแม้สิ่งของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหมวกดีมันก็ดีสำหรับสวมบนศีรษะสวมที่อื่นก็ไม่ดีรองเท้าดีมันก็ดีอยู่ที่เท้าถึงจะสั่งมาจากนอกราคาเกี่ยร้อยกี่ชั่งก็ต้องสวมมันไว้ที่เท้าอย่าบาังควรให้มันสลับที่กับหมวกเป็นอันขาด เสื้อดีต้องสวมมันไว้ตรงนี้กางเกงดีต้องนุ่งมันไว้ตรงนี้ไข้กันเสียมันก็ไม่ดีที่ว่ามานี้ของภายนอกดูในตัวเราบ้างก็เหมือนกันอวัยวะเนื้อตัวของเราที่ว่ามันดีก็ดีเฉพาะทางที่มันดีเท่านั้นนี่ก็ว่ามาแล้วเมื่อคราวแสดงเรื่องจิตตาดีก็ดีทางดู หูดีก็ดีทางฟังเสียงลิ้นดีก็ดีทางลิ้มรสเห็นไหยล่ะตากับลิ้นอยู่ห่างกันไม่ถึงคืบยังดีคนละทางใช้แทนกันก็ไม่ได้เคยบอกไว้ด้วยว่าถ้าอยากทดลองดูก็ได้ลองเอาตาชิมแกงดูสักทีสิเกิดรเรื่องทีเดียวหูตาปากจมูกอยู่ในร่างกายอันเดียวกัน เจ้าของเดียวกันอยู่ในความควบคุมของใจดวงเดียวกันยังต่างอันต่างดียิ่งคนเราแต่ละคนแต่ละคนก็ยิ่งมีทางผิดแผลกันไปหลายอย่างดีกันคนละแ ง, ง่คนละทางทหารดีทางรบทับจับศึกตำรวจดีทางปราบโจรผู้ร้ายพ่อค้าดีทางค้าขายชาวบ้านดีทางทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ส่วนพระสงค์องค์เจ้าท่านก็ดีไปทางรักษาสิกขาวินยัยนี่ดีของคนรู้จักเรื่องต่างคนต่างดีแล้วก็เข้าใจวิธีติชมง่ายเขา้าที่เรียกว่าติเป็นชมเป็นนั้นต้องรู้ดีด้วยว่าคนที่เราจะติจะชมนั้นดีทางไหนจะติจะชมต้องให้มันตรงที่ดีของเขา อย่าให้มันผิดดีถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาดีทางไหนแน่ก็อย่าเพิ่งติอย่าเพิ่งชมประเดี๋ยวจะผิดถ้าใครติผิดคนนั้นเป็นคนผ่านคือคนไม่ดีชนิดหนึ่งในโลกอย่างว่าเราจะติเข็มเราก็ต้องรู้เสียก่อนว่าเข็มดีทางไหนเมื่อรู้ว่ามันดีทางเย็บผ้าถ้ามันเกิดเย็บผ้าไม่ได้ เราจึงติมันไม่ใช่เอาใจของเราเข้าไปวัดว่ามันดีหรือเลวหรือเอาความดีของสิ่งอื่นเข้าไปเทียบมันเองแต่เอาความต้องการของเราเข้าไปวัดเช่นเราอยากผ่าฟืนไม่มีมีดมีแต่เข็มเราก็พานติเข็มว่าเข็มไม่ได้ความผ่าฟืนไม่ได้นี่คือติผิด ตีอย่างนี้เรียกว่าพานพาโลติหาเรื่องส่วนพวกที่เอาความดีของอีกอย่างหนึ่งมาติอีกอย่างหนึ่งมัวติว่าทหารไม่เป็นเรื่องเล่นลิเกไม่เป็นตำรวจไม่ได้ความขับเครื่องบินไม่ได้นี่ก็ติผิดติผิดอย่างนี้เรียกว่าหลับหูหลับตาติ เราเอาความโง่ของตัวเองมาเที่ยวติคนอื่นการตีแบบนี้มีอยู่มากในพวกชาวบ้านเราข้างฝ่ายชมก็เหมือนกันจะชมใครก็ต้องให้มันตรงที่ดีของเขาถ้าเขาดีตรงที่ดีของเขาเราก็ชมอย่าติถ้าเกิดเขาไปดีนอกทางทางที่จะให้ดีไม่ดีไพล่ไปดีทางอื่น ชมแล้วเสียเป็นการให้กำลังใจแก่คนเดินทางผิดมันก็ไปกันใหญ่ที่ม่ย้ำเรื่องติตชมชมนี้มากเพราะเรื่องติเรื่องชมนี้สำคัญมากขนาดพลิกแผ่นดินได้ทีเดียวชั่วระยะย้อนหลังไปอีกไม่นานักทางภาคอีสานประชาชนพลเมืองเขานิยมทหารตำรวจใครได้เป็นทหารหรือตำรวจ เขานับหน้าถือตาเฉพาะอย่างยิ่งพวกสาวๆชอบติดต่อกับพวกที่ออกจากทหารหรือตำรวจเป็นอย่างนี้ทั่วไปเพราะฉะนั้นถึงคราวเกณฑ์ทหารในปีหนึ่ ง, งจึงมีพวกหนุ่มๆสมัครเข้ารับราชการกันมากๆจนเกินต้องการทางภาคเหนือพวกชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสาวๆ ชอบคนที่ศึกจากสามเณรมากกว่าคนที่ศึกจากพระมีภาษิตชาวเมืองว่าน้อยเวยหนังเช้าซึ่งหมายความว่าน้อยคือคนที่ศึกจากสามเณรเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวดีส่วนหนังคือคนที่ศึกจากพระภิกษุทำอะไรชักช้าอืดอาดเมื่อชาวบ้านนิยมอย่างนี้ ผลก็ปรากฏว่าผัวผู้ชายพากันนิยมบวชเป็นสามเณรกันเป็นส่วนมากถ้าพิธีบวชเป็นสามเณรก็มักจะทํากันเอิ ก, กเกรอแต่พิธีบวชพระก็ทํากันเงียบชนิดที่ว่าจุงมือเข้าบวชเลยและผู้ที่บวชแล้วก็จะชิงศึกจากสามเณรเท่านั้นถ้าคืนบวชพระแล้วศึกก็จะทําให้เสน่ห์ในตัวลดน้อยลงไป ผมเคยได้มีโอกาสจาริกไปส่งเสริมการพระศาสนาทางภาคเหนือโดยรัฐบาลส่งไปเมื่อครั้นยังครองเพศบรรพชิตจากการจาริกไปตามตำบลบรรนอกอันธุรกันดารได้พบว่าวัดส่วนมากมีสัมมณีมากกว่าพระทั้งนั้นมากกว่าอย่างผิดส่วนกันจริงๆเช่นพระภิกษุ 2, สองสมณยี่สิบ หรือพระภิกษุห้าสมมเนนสาสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอยู่มากวัดที่สัมมเนนเป็นสมภารทีแรกได้ยินคนบอกว่าวัดที่จะไปพักข้างหน้าไม่มีพระในวงเล็บตุมีแต่สัมเนนผมคิดว่าจะมีแต่สัมมเนนกระเปียกกระเปียกอย่างที่เคยเห็นในภาคกลางแต่อะไรได้พอไปถึงเข้าจริงปรากฏว่า สมณีเหล่านี้มีอายุปูนอาจารย์ของผมทั้งนั้นสมณนรูปที่เป็นสมพานท่าทางเหมือนพระราชาคณะผู้ใหญ่ทีเดียวที่เล่ามานี้อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าการตกิการชมของชาวบ้านอาจทำให้บ้านแปรรูปไปได้ไม่ยากนักเราติเราชมสิ่งของมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันไม่มีใจคิด ส่วนคนเรานี้มันมีใจมีธาตุที่เกลียดคำติดและรับคำชมอยู่แล้วเพราถูกติถูกชมใจมันก็หันเหไปตามดังตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าสมมติว่าชาวบ้านร้านตลาดเกิดอยากดูลิเกแล้วพากันสรรเสริญเยือนยอพวกนักเล่นลิเกว่าเป็นผู้สร้างเอกราชอย่างโน้อนอย่างนี้แล้วพากันค่อนขอทหารว่าไม่ดี ไม่เก่งเล่นลิเกไม่เป็นถ้าเสียงติอย่างนี้มากเข้าประเดี๋ยวทหารก็เลยไม่นิยมการฝึกทางยุทธวิธีหันไปหัดเล่นลิเกกันหมดเท่านั้นเพราะไม่อยากให้ใครติและอยากให้เขาชมว่าเก่งประเดี๋ยวก็มีคณะสอสอสะพานแดงคณะรอดอท่าช้างคณะปะต อ, อบังซื้อและคณะอะไรๆเยอะไปหมดเท่านั้นเอง แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดคิดดูเองนอกจากนี้การชมมีข้อควรระวังอยู่อีกคือการพิจารณาไม่รอบคอบของผู้ชมนั่นเองที่ดีแท้ไม่ชมไปรไปชมที่ดีเทียมน่าอายนักและทำให้คนอื่นระอาใจด้วยเช่นอย่างบางคนโชคอำนวย ปกติเป็นคนขยันน้อยไปทำงานสายๆแต่วันนั้นเกิดทะเลาะกับเมียเลยงอนข้าวปลาไม่กินนี้ไปอยู่ที่ทำงานตั้งแต่ก่อนพันโรงแล้วก็พอเหมาะพอดีจะเป็นที่ว่าออกจากบ้านถูกเริกหรืออย่างไรไม่ทราบได้นายเกิดมาเจอเข้าเลยชมปอขอประกาศให้คนอื่นถือเอาเป็นตัวอย่างและปูนบำเหน็จความชอบให้ กลายเป็นเรื่องชวนหัวของคนอื่นแม้แต่ผู้ได้รับคำชมนั่นเองร้ายที่สุดคือเป็นการทำให้คนที่เขาขยันหมั่นเพียรพลอยเสียกำลังใจในการทำดีนี่เป็นความไม่รอบคอบของคนชมขอไข่ในฐานะผู้รับคือเป็นผู้รับคำติคำชมจากคนอื่น ข้อนี้ก็ดูจะไม่มีเรื่องสลับซับซ้อนมากนักในเมื่อผ่านฐานะของผู้ให้มาแล้วคือคนเราถ้าติเป็นชมเป็นแล้วก็จะรับติรับชมเป็นไปด้วยข้อสำคัญพอได้รับคาติคาชมให้รีบพิจารณาในทันทีว่าคำติคำชมที่เขาให้มานั้นเขาสร้างขึ้นในขณะจิตที่เป็นผ่านหรือเป็นบัณฑิต พูดง่ายๆคือคนที่ติที่ชมเรานั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่ที่ว่าพานหรือบัณฑิตนี้ก็ต้องถืออย่างอธิบายมาในตอนก่อนคือเอาจิตของผู้ติผู้ชมไปสำคัญคำติคำชมใดออกมาจากเจตนาที่เป็นพานของผู้ติผู้ชมเช่นเขาติชมในขณะที่จิตเขากาลังโกรธ หรือกำลังงมงานอย่างนี้คำติคำชมนั้นเป็นของผานอย่าถือเอาเป็นอารมณ์เพราะคนที่จิตถูกกิเลสเผาจัดก็เหมือนคนวิกลจริตนั่นเองแต่ถ้าคำติคำชมออกมาจากจิตที่ประกอบด้วยปัญญาของผู้ติชมเรียกว่าคำติคำชมของบัณฑิตพึงรับฟังด้วยความเคารพพูดย่อ คำติคำชมของคนพานใช่ไม่ได้เพราะคนพานติคนทำดีชมคนทำชั่วใครถือเอาเป็นจริงเป็นจังจกเสียตัวส่วนคำติคำชมของบัณฑิตมีค่ามากเพราะบัณฑิตชมคนดีติคนชั่วใครเมินเฉยจะเสียคนเหมือนกัน